คือคนที่เรียกว่าคนรู้ทุกจริงนะต้องหมายความว่าต้องบรรลุนิพพานจึงจะเรียกว่าคนรู้ทุกจริงถ้ายังไม่บรรลุนิพพานเนี่ยทุกเหล่านี้ไม่ได้ชื่อว่าทำปริญญาจริงนะโดยเฉพาะปะหานะปริญญาเนี่ยมันเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าถ้าไม่ไม่ขึ้นบกนะจะเรียกว่าจะเรียกว่าคนข้ามไม่ได้หรือเรียกว่าคนกําลังข้ามไม่ได้เออเรียกว่าคนข้ามไม่ได้หรอกถ้าไม่ไม่ถึงบกเนี่ยนะนะ มันเมื่อถึงบกคือนิพพานเนี่ยอุปมาเหมือนอะไรเหมือนบอกหรือชื่อหนึ่งเรียกว่าฝั่งพวกสังขารธรรมทั้งหลายพวกนี้มันเหมือนกับเป็นกระแสอยู่เพราะว่าเป็นยังเป็นที่อาศัยแห่งโอฆาเป็นต้นก็เมื่อพิจารณาพวกนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วนั่นแหละนะโดยโดยมักคุเวิกีเขาก็เป็นอย่างนี้ทั้งในขณะมัคเนี่ยถือว่าเป็นขณะที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะ ทีนี้มัคตัวนี้เนี่ยทำกิจสี่ประการแต่การเรียนธรรมะเนี่ยนะเราส่วนใหญ่เราจะเข้าใจแต่โดยอารมณ์เราไม่ค่อยเข้าใจโดยกิจสักเท่าไหร่เนี่ยนะกำหนดรู้ทุกโดยกิจเนีย่ยนะกำหนดรู้ทุกโดยกิจละสมุทัยโดยกิจมีนิโรธเป็นอารมณ์ะนนะมีนิโรธโดยอารมณ์ นะมีอะไรมักเนี่ยเป็นภาวนาเป็นสภาวะที่เป็นภาวนาจริงๆในขณะนั้นทีนี้ไอ้คำว่าโดยกิจเนี่ยนะคําว่าโดยกิจคือโดยหน้าที่เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันเป็นเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยชื่อว่าได้ทํากิจกําหนดรู้แล้วหรือว่าชื่อว่ากําลังกําหนดรู้เพราะพวกนี้ใเพาใช้ปัจจุบันกําลังทําปริญญาอยู่ ขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์โดยมักนะชื่อว่ากําลังทําปริญญาชื่อว่ากําลังละสมุทัยเพราะขณะนั้นกําลังมีนิพพานเป็นอารมณ์เพรา ะ, ะนั้นก็มาฝึกคิดธรรมะโดยกิจกับโดยอารมณ์แต่ทีนี้อย่างที่อาจารสันติถามเมื่อกี้เนี่ยที่กล่าวว่าเออถ้าเป็นแบบโลกิยะเนี่ยละละแบบเห็นเห็นอยู่ถ้าโลกิยะเนี่ยนะขณะวิถีทั่วทวไปเนี่ยก็จะมีอุปาทานขันห้า อา น, นิจจังอย่างหนึง่งทุกขังอย่างหนึง่งอนัตตาอย่างหนึง่งเมื่อมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์เนี่ยละกิเลสอะไรถ้าบอกว่าพูดแบบว่าละกิเลสแบบเห็นเห็นอยู่เลยนะละกิเลสอะไรเช่นพิจารณาจักขู่โดยอานิาจาจาังพิจารณาจักขู่โดยทุกขังพิจารณาจักขู่โดยอนัตตาแล้วเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะขณะนั้นละกิเลสอะไรละได้ยังไงถัา ขณะนั้นน่ะมานะตันหามานะทิฐิไม่มีนี่เขาจึงบอกว่าเหมือนอย่างว่าอาตกคืนหนึ่งมีนักเขียนหนังสือคนหนึ่งเนี่ยตื่นขึ้นมากลางเด็กจุดไฟแล้วเขียนหนังสือเขียนเสร็จแล้วก็ดับไฟแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาเช้าเนี่ยหนังสือหายไปไหมไม่หายฉันใดผู้ที่เจริญวิปัสนาพิจารณาอารมณ์ใดเนะเอาไว้อย่างละเอียดทีท้วนแล้วเนี่ยนะ ตอนหลังก็อารมณ์นั้นก็ยังปรากฏตามแนวเดียวกับที่เคยพิจารณาเอาไว้อย่างชํานาญวัตถุนั้นจะไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอีกต่อไปนะจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งปกติเนี่ยถ้าไม่มีอนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะนิจจะสัญญาจะเกิดถ้าไม่มีทุกขานุปัสสนาสุข ะ, ะสัญญาก็จะเกิดถ้าไม่มีอนัตฐานุปัสสนาอัตตาสัญญาก็จะเกิดโดยอาศัย จากขูเพราะการพิจารณาจากขู่แม้แต่ในขณะนั้นะวิปลาสไม่ได้มีนะขณะที่วิปสัสนาเกิดก็ไม่ได้มีอะไรมันเหมือนอย่างว่าถ้าแบบหยาบหน่อยนะครับแบบที่เราเห็นเนก็คือตอนเราเจริญเมตตานะละโทสะไหมละตอนนั้นมีโทสะอยู่กับกําลังฆ่ากันต่อหน้าต่อตากันเลยใช่ไหมไม่ใช่ทําไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมบอกว่าละโทสะทั้งๆที่ขณะที่มีเมตตาขณะนั้นไม่มี โทรศัพเธอธรรมะพวกเป็นปฏิปักษ์ธรรมต่อกันถ้าอันหนึ่งเกิดอันหนึ่งถือว่าถูกขม่มเนี่ยนะถ้ามิจจสัญญาเป็นต้นเกิดวิปัสนาชื่อว่าถูกข่มกระดอนไปหมดแล้วถ้าขณะที่อนุปัสนาเกิดมีกําลังนะเขาบอกว่าวิพวกวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะเหมือนทหารมีกําลังพวกวิตาลาทั้งหลายเหมือนกับโจรมีกําลัง พันธะโจรมีกําลังทหารอ่อนกําลังจักผูกเป็นต้นเนี่ยเหมือนกับบ้านเมืองอ่ะนะเหมือนกับบ้านเมืองอ่ะเนี่ยนะพันธะโจรมีกําลังมากก็ถูกโจรครอบครองอ่ะนะนิจา ว, วิป拉萨สุขาวิปา萨อัตาวิปรรา萨แต่ถ้าวิปัสสนามีกําลังเจ้าหน้าที่มีกําลังอ่ะนะโจรก็อ่อนกําลังในในเมืองเนี้ยแต่ถ้ายังมีเมืองอยู่ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่า ก็สู่ทําลายเมืองเคยได้ยินไหมหักเสาอะนะอะไรนะถมคูถมคูให้เต็มถอนเสาระเนียให้หมดทําลายธงให้หมดถ้าทําลายเมืองนี้เบ็ดเสนะ็จนะจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโจนแนละไม่จําเป็นต้องใช้เจ้าหนะ้าที่อะไรอีกเพราะว่าไม่มีเมืองแล้วแบบนั้นอาจารย์ครับตรงที่ว่าสมุไทยทํากิจละอตรงที่มรคติทํากิจ ละสมุทัยและวิบากกรรมชรูปนี้ถ้าท่านยังไม่ปรินิพานนี้ละสมุทัยนี้เข้าใจแต่ลวิบากกรรมชรูปนี่อันนี้ไม่เข้าใจค่ะหมายถึงว่าวิบากกรรมชรูปในภพที่แปดนะคะถ้าเป็นโซดาปฏิมัคมันมันเหมือนตัวมัคที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันห้ามปฏิสนธิในภพที่แปดโดยโดยโดยกิจนะ่ะ กิจมันไปห้ามการปฏิสนธิในภพที่แปดขณะที่อารยมรรคเกิดขึ้นนะคืออริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมันมีชื่อหนึ่งคือเราคงไม่ลืมหนะ้มครคคืออะไรอาทิปฏายโถอธิปไตยะอาทิตปฎีอ่ะนะอธิบดีอ่ะอาทิบดีขณะเนี่ยมันเหมือนการใช้นี่อ่ะก็บอกว่ามันเหมือนกับใช้หนี้ก้อนโตมากเลยนะบอกว่าหลังจากนี้ไปนะ ตั้งขน้นเลยนี่ไปไม่ต้องมาทวงอีกแล้วมันเหมือนกับอุดหนี้ก้อนโตเลยนะโซดาปฏิมาคเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมีบริบูรณ์ด้วยอ ร, ริยทรัพย์มีศรัทธาเป็นต้นอนะนะเพราะฉะนั้นก็อุดหนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปนะฉันจะไม่มีหนี้ต่อไปก็เลื่องตัวเองอะนะเป็นการใช้หนี้อย่างเรียกว่าก้อนโตมากเลยนะโสดาปฏิมาคนี่ถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากอนะก็ไปใช้หนี้เลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปนะหนี้กลุ่มนั้นเนี่ยถูกตัดขาดไปหมดแล้วอย่างนี้ นี่ถามว่ามันไปห้ามยังไงนี่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้จ่ายอะไรในวันหน้าแต่ถ้ามัดอันนี้ไม่เกิดอะไรเกิดนี่เหล่านั้นก็ยังอยู่นะเอาแล้วการใช้นี่ที่จะต้องจ่ายครั้งต่อๆไปเนี่ยมันจ่ายกันยังไงมันเวลามันก็ยังไม่ถึง <S <S 1> <S 1> คือพราพวกเนี้มันเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจด้วยปัญญาว่าอนุภาพของมัดเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ย หรือพูดอีกในหนึ่งเนะยถ้าพูดแบบสายแพทย์เ้าบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนวัคซีนชั้นดีเข็มที่หนึ่งเนะเพราะฉะนั้นไอ้โรคกลุ่มเนี่ยถ้าฉีดอย่างนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นไปเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วไม่มีโรคอีกเด็ดขาถ้าถ้าฉีดสี่ครั้งนะหายเรียบเลยหายจากวัตตาเลยเพราะฉะนั้นที่อยากจะกล่าวในตรงนี้ว่าการทำกิจในอริยสัจเข้าไปนะ การศึกษาพระธรรมยังไงก็เพ right? so right? like really? right. exactly. like ื่อให้เห็นวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนมิโรทคาขมินีปฏิปทาทีนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายแบบปฏิสัมพิทานนี้ทุกเขาไม่คิดอยู่แค่นี้หรอกนี่รูปนี้เวทนานี่สัญญานี้สังขารนี่วิญญาณก็เอาสองร้อยหนึ่งมามาคูณใช่ไหมไอคําว่าทุกคําเดียวเนี่ยขยายเป็นสองร้อยหนึ่งตามภาษาผู้มีปัญญาแตกฉานนี่ไงตามภาษาผู้มีปัญญาทั้งหลายนี่ไง บางคนก็บอกว่าโอยตั้งสองร้อยหนึ่งเลยหรือฟังแล้วตกใจหมดเลยก็ไม่เป็นรไรภาษาธยายบ่อยๆก็เลิกใจแล้วนี่ต่อไปนะบางคนอนะ่ะรู้แล้ทุกๆสมูทายนิโรธมนะักรู้แล้วทำยังไงต่อไปจะให้ทํายังไงต่อไปบอกคุณไปทําปริญญานะทุกทําปริญญาสมูทายต้องละนิโรธต้องทําให้แจ้งก็มีผู้สงสยัยต่ออีกว่าโอ้โหนี่ทุกข์กว่าหนดรู้แล้วนะ ถ้าทุกข์เขาก็กําหนดรู้สมุทัยเขากัละนิโรธเหมือนจะทําให้แจ้งมรต ก, ก็กําลังเจริญเมื่อไหร่จะ บ, บรรลุก็ต้องไม่ลืมว่าถ้าทุกข์ต้องบรรลุด้วยการกําหนดรู้สมุทัยต้องบรรลุด้วยการละนิโรต้องบรรลุด้วยการทําให้แจ้งมรตต้องบรรลุด้วยการเจริญเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบรรลุที่ไหนหรอกไม่ใช่ทํากิจหน่อยๆเอ๊ะทำไมไม่บรรลุสักทีหนึ่งคือบางคนเนี่ยพอเจริญไปนะไม่ยินดีในการทําปริญญาสักเท่าไหร่ เพราะเชื่อว่าไอ้บรรลุมันอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่อันนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ตั้งใจทํากิจอันนั้นโดยตรงอย่างเช่นไม่ตั้งใจกําหนดรู้อุปาทานขันห้าไม่ตั้งใจที่จะละกิเลสอะไรมันมันเหมือนกับว่าไอ้การละกิเลสเหมือนกับว่ามันมันมีความหวังแบบลมลมแรงๆว่ามันน่าจะที่ไหนอีกอย่างหนึ่งนะที่ที่ไม่ใช่การทําปริญญาหรอกมันแอบหวังลึกๆนะมันก็เหมือนการย้าว่าถ้าคุณจะบรรลุนะคุณต้องบรรลุ ถ้าทุกข์นะคุณต้องมาลุ้ด้วยการกำหนดรู้นะสมุทยัยคุณต้องบรรลุด้วยการละนะนิโรธคุณต้องมาลุด้วยกา ร, ะนะ ร, า ร, การทำให้แจ้งมักต้องบรรลุด้วยการเจริญอย่าไปเที่ยวหาการตรัสรู้ที่อื่นจากนี้เลยเหมือนกับย้ำอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอันนี้เป็นวาระที่สามนะในธรรมะสองร้อยหนึ่งนี้จบเสร็จแล้วนะทีนี้พอมาวาระที่เท่าไหร่แล้ววารนะที่สี่วาระที่สี่ 4, ข้อที่ สิบสามเนี่ยนะก็เป็นการพิจารณาแบบเอาทุกสมุทัยนิโรธมรคนี่นะมาพิจารณาอย่างกว้างขวางานะคอยบอกเลยนะว่าเนทุกขังนะเอาทุกข์ก่อนนะทุกขังใช่ไหมสองสองทุกขัดสมุทัยสามทุกข์นิโรธสี่ อะไรนะสมุทยะนิโรธห้าฉันทราคะนิโรธหกอะไรนะอัศธาเจ็ดอาทีนวะแปดนิสรณะอะไรนะ ตัวทุกเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ขยายสักเท่าไหร่ให้รู้ว่าทุกเนี่ยนะทุกทั้งหลายก็มีสมุทัยเป็นเป็นแดนเกิดใช่ไหมทุกนิโรธสมุทยานิโรธฉันทราฆานิโรธพวก น, นี้เป็นชื่อของนิพพานคือประกาศถึงว่าเราเคยได้ยินนะว่าจากัจากโขจักโขสมุทัย แล้วก็มีคำหนึ่งคืออะไรจักขโคนิโรดเนี่ยนะไม่แยกดูนะว่าถ้าจาักขโคนิโรดตัวนี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงความไม่เป็นไปแห่งจักขโคและจักขโคสมูไทยทั้งสองอภวตตะเนี่ยนะอภวตตะคือความไม่เป็นไปแห่งจักขโคและจักขโคสมูไทยทั้งสองชื่อว่า จกักรโคนิโรดจกักรโนิโรดเป็นชื่อของนิพานไม่ใช่หรือใช่ใช่ไหมใช่ทีนี้จะมาดูว่าตรงนี้ถ้าตรงๆอ่ะคือทุกนิโรดกับจักขโนิโรดอันเดียวกันคือนิพานสมูทยะนิโรดกับฉันทราฆานิโรดก็คือความไม่เป็นไอแห่งสมูทัยด้วยคือกำจัดทั้งทุกก็ดับสมูทัยก็ดับฉันทราฆาก็ดับ ถ้านิพานที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้เพราะนิพานเป็นที่ดับทุกข์เป็นที่ดับสมุทยัยเป็นที่ดับฉันทราคะเนี่ยนะแม้แต่นิสารณะก็เป็นชื่อของนิพานวันอัตถกาถาท่านบอกว่าวาระนี้มีนิพานอยู่สี่คอัะนนะั้นใครถนัดคำไหนกู้การชอบคำไหนก็เอาไปแต่เอาเอาทั้งหมดดีคลุมดนะีเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามาแยกดูก็คือ ตัวทุกขนิโรธเนี่ยอัปปวัตตะของทุกอัปะวัตตะของทุกสมุทยานิโรธกับฉันทราคานิโรธเป็นอัปะวัตตะของทุกขะสมุทัยเนี่ยนะส่วนนิสสารณะเนี่ยก็คืออะไรก็คือความสิ้นฉันทราคะนั่นแหละพันอั า, อาธะคืออะไรสัจจะสมุทยสัจจะอาทีนวะคือทุกขสัจจะ ก็เป็นอริยสัจอย่างนี้แหละก็คือเป็นการจำแนกอริยสัจโดยปริยายต่างๆน ต, ตามปริยายต่างๆ